พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าได้บุญแทนค่าเช่าวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง ที่มีการเซ็นสัญญาเพราะเราคอยวันนี้มานานตั้งแต่มาริเริ่มสร้างวัดป่ารวมธรรมนี้เป็นเข้าปีที่สองเมื่อเราเอาเมกโคแท็เตอร์มาปรับสถานที่เราก็ได้เตรียมสถานที่อันดับแรกก็ต้องมองที่ศาลาไว้ก่อนศาลาอาเนกประสงค์เพราะว่าเราจะสร้างวัดเราก็ต้องเตรียมตรงไหนที่จะเป็นศาลา ตรงไหนที่จะเป็นที่พักสง์ตรงไหนที่จะเป็นให้พี่น้องประชาชนฝ่ายอุบาสิกาเป็นที่พักพาอาศัยเพราะนั้นเราได้วางแผนกันพอสมควรเราก็มาชี้จุดนี้ว่าเป็นตรงที่เด่นเหมาะสมที่จะเป็นที่สร้างสลาอนเนกประสงค์ต่อไปในอนาคตเมื่อเรามาดูทีแรก จากนั้นจะได้มามีจุดนี้รโรงงหลักปักเขตจากนั้นก็มีทหารทหารการช่างจากอุราท่านผู้การสมัยนะั้นหลวงพว่อจาชื่อไม่ได้ท่านก็เอาแมคโครเอาอะไรมาช่วยเราก็ให้การสนับ ส, สนุนทางน้ํามันแต่เครื่องจักรเป็นของทหารท่านมาทําด้วยความเต็มอกเต็มใจสร้างทำด้วยความศรทมัทธาจริงๆทั้งทหาร หลายนายทีเดียวหลวงพ่อมาเห็นก็ปลื้มใจในการทํางานของนายทหารที่มาร่วมสร้างวัดในครั้งแรกจากนั้นก็ได้ทํำถนนหนทางภายในวัดจากนั้นก็ได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ศาลาชั่วข่า ว, าวอย่างพวกเราได้นั่งเมื่อกี้นี้อันนั้นคือศาลาชั่วข่าว ที่พวกเราจะได้ทำมาสร้างวัดนี้วัดนี้นะแล้วก็เมื่อสร้างสลาหลังนี้แล้วสลาหลังนั้นจะทำอะไรคงจะเป็นที่ฉันน้าของพระคงคงจะเป็ น, ปนที่เป็นที่น้ำเรืมอตอนบ่ายน้ำปานะของพระสงฆ์หรือว่าเป็นที่ต้อนรับขับต้อนรับศรัทธาญาติโยมมาจากญาตุรทิศ คือจุดนั้นจุดนึ่งที่ได้พูดกันไว้นะเพราะนั้นวันนี้ผูเ้เมื่อเราได้เตรียมสถานที่ไปแล้วต่อมาเราก็ยังหาเจ้าภาพ เ, าเพราะว่ายัางในช่วงนั้นก็ยังไม่ ไ, มได้ตั้งใจว่าจะหาเจ้าภาพทีเดียวก็สัตา ย, ยาติยม์ก่มคณะพระสงฆ์ทั้งหลายาว่าควรจะทาอะไรก่อนหลวงพ่อว่า วัดป่ารวมธรรมแห่งนี้มันติดถนนออันดับแรกควรจะทำกาแพงก่อนเพราะเป็นให้เป็นสัดส่วนเออเพื่อกีดกันเอาไว้อีกอย่างหนึ่งกาแพงนันก็เอ่อเป็นที่ปลอดภัยผู้ที่เขามาพักพาอาศัยและพร้อมกันเป็นที่กันเสียงเอ่อที่รถมันวิ่งในถนนก็จะทำให้เสียงไม่รบกวนพระเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเอ่อติดถนนเพราะนั้นหลวงพ่อเองกับ เจ้าอาวาสท่านก็เลยตกลงกันให้ทำกำแพงก่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ที่อื่นๆเมื่อจะสร้างวัดเขาก็ต้องสร้างศาลาก่อนแต่นี้หลวงพ่อให้สร้างกำแพงก่อนผิดปกติแต่เมื่อสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านด็เตอร์ของเรา ท, ที่เป็นเจ้าภาพพร้อมกับอาจารย์เป็นคุณนายของท่าน อาจารย์นงเยาล์ดีศรีแหกับลูกสาวของท่านนี่แหละอันนี้ท่านก็แสดงความจำนงทีแรกข้อท่านก็จะสร้างโรงเรียนสมเศร้าหลวงพ่อเออยินดีท่านก็ได้สร้างโรงเรียนตำบลสมเศร้าของพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหมดไปสล้านเกือบห้าล้านนะแล้วก็พร้อมตันกันท่านก็ให้หมอบจตุ ป, ปัจจัยให้ โรงพยาบาลอำเภอเพนเอกถ้งพ่อท่าหลวงพ่อจำไม่ผิดก็ประมาณสมล้านอ่านี่แหละอันนี้ต่อมาท่านก็บอกว่าศาลารวมธรรมเนี่ยยังไม่มีศาลาศาลาอเนกประสงค์หรือศาลาปฏิบัติธรรมท่านจึงได้แสดงความจำนงว่าอยากจะสร้างศาลาหลังนี้จากนั้นก็ให้ผู้ออกแบบออกแบบอาคารศาลาหลังนี้ ก็ใช้เวลานานพอสมควรเมื่อเขาออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เอาแบบมาดูกันแล้วก็ให้หมอบให้เนี่ย เ, เสยกิกที่สร้างอาคารเรียนสมเศร้าแล้วก็เคยสร้างอาคาร เ, เรียนอยู่ที่อาเภอนิคมคำสร้อยแล้วก็สร้างอาคารเรียนที่ อ, อเาเภอนามสมอาเภอนายูง ที่ตำบลอะไรบ้านก้องตำบลบ้านก้องอีกหลังหนึ่งก็เท่าๆกันนี่แหละแปดห้องเรียนแล้วก็สร้างอาคารอยู่ที่ให้โรงพยาบาลอำเภอนาดูน น, ด น, นี่ท่านสร้างหลายแห่งนะคระับนะัทธายาตโยมลูกหลานเป็นผู้ท่านเป็นผู้มีศรัทธาจริงจากนั้นท่านก็ไปสร้างที่บ้านเพิ่มอีก ที่วัดปอบหลวงพ่อคำสดนะมาคราวนี้ก็จะมาสร้างศาลาอนเนกประสงค์ขึ้นมาที่วัดป่ารวมธรรมของพวกเราเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงบอกว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งมีพิธีเซ็นสัญญาสร้างอาคารอนเนกประสงค์วัดป่ารวมธรรมตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานี ณวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2559และก็คู่สัญญาคือคุณอนุนาตรดีศรีผู้ว่าจ้างกับคุณอินทิราจึงรุ่งเรืองจุงจึงรุ่งเจริญกิจหอจอกอไทยบโปอเอ็นจิจเนียผู้รับจ้าง เพื่อทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสองชั้นกว้างส3บสาเมตรยาวยี่สิบหเมตรมูลค่าการก่อสร้าง8ดล้านสี่แสนบาทกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาระยะเวลาส0บเดือนนี่แหละใช้เวลาไม่นานแลวนะคณะสถาญาตยมอันนี้แหละเปว่าเงินถึงถ้ท่านเงินถึงงานก็เดินเพราะนั้น วันนี้พวกเราได้มาร่วมมารวมกันได้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในศาลาหลังนี้และท่านผู้ออกทุนทรัพย์ตระ ก, กูลของท่านท่านดรและครอบครัวของท่านเมื่อท่านได้ทาบุญสร้างอเนกศาลาอเนกประสงค์แล้ว เหมือนกับ ส, สร้างโรงแรมนะเรื อ, อว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างให้คนเช่านะแล้วก็คนทั้งหลายก็มาเช่า เ, เมื่อเช่าแล้วท่านก็ได้เงินจากคนมาเช่ามาเช่า อ, อ, อาคารของท่านนี้ก็เหมือนกันในเมื่อท่านสร้างอาสาลาอาเนกประสงค์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใดก็ตามมาไหว้พระมาไหว้พระ มาสมาทานศีลมาทำสวดมนต์นั่งภาวนาในสลาหลังนี้ท่านด็อกเตอร์ของเราก็ท่านก็เล็บมีมีส่วนในบุญในกุศลจากกุบาศกุกบาสิกาภิกษุสัมมาเนที่ได้มาบาเพ็ญคุณงามความดีในสลาของท่านเป็นบุญกุศลนานเท่านานจนกว่าสลาหลังนี้จะผุพังลงไปเพราะนั้นถือว่าท่าน ได้ทำคุณงามความดีมากทีเดียวถ้าหากว่าพระภิกษุสมัมมเนนหรืออุบาสกอุบาสิกาท่านใดมาภาวนาอยู่ที่ศาลาหลังนี้ทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจนถึงได้เป็นสำเร็จพระโสดาพระสกทาคาอนาคาอรหรันในศาลาหลังนี้ท่านด็อกเตอร์ของเราคงจะ ได้บุญกุศลมหาศาลแท้นี่ยเหมือนกับเถกตูกหัวแจ็คพอตทีเดียวละ่ะเพราะเหตุใดเพราะว่าท่านเหล่านั้นมาบำเพ็ญคุณงามความดีจนได้สําเร็จมัก่กสําเร็จผลบนศาลาหลังนี้แต่ถ้าหากว่าผู้ใดนะมาอยู่ที่ศาลาหลังนี้เนยะมาชกมาต่อยมาตีกันนะท่านดครคงไปรับด้วยอันนั้นนะมอบให้ผู้กระทํารับเต็มเต็มไปนะเพราะแห่งว่าเพราะทความชั่วเนี่ยเราไม่รับนะ รับแต่คุณงามความดีใครมาสั่งสมบุญกุศลเราจะรับบุญกุศลจากท่านผู้นั้นแต่ถ้าว่าใครมาทำสิ่งที่มันไม่ดีทากรรมชัว่วในศาหลังนี้เราไม่รับรู้นะเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลของตระกูลของท่านเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมมารวมกันที่มาร่วมกันวางศิลเลิก ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งและก็พร้อมกันถ้าว่าท่านผู้ใดอยากจะกมีศรัทธานะจะมาร่วมสมทบมากน้อยจะมาร่วมสมทบกับมามอบให้ท่านเจ้าอาวาดท่านอาจารย์วาดเข้าไจนแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปเพื่อจะได้สมทบกับเจ้าภาพในการสร้างอาคารหลังนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันทั้งหมด นั่นแหละคณะสัทธาญาติโยมเพรคะนั้นวันนี้ขอขอให้พวกเราทุกทุกท่านได้มาร่วมมารวมกันอารมโ์ธนาสาธุการกับการสร้างอาคารหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสน า, าพระภิกษุสามเณรมาจากทิศทั้งสี่จาตุรสเทศอุบาสกอุบาสิกามาจากจากตุรเทศก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้เป็นศาลาอนเนกะสม ท้งต่อไปก็คงจะทำสังฆกรรมสังสมกรรมได้อีกจะบวชพระบวชเนนบวชพระทำสังฆกรรมไร่ทุกอย่างกระถินโลงอุโบสถนะแปลว่าสลาหลังนี้เป็นสลาที่ใช้สารพัดประโยชน์ให้ครบถ้วนในพุทธศาสนาในเมื่อสร้างเสร็จแล้วต่อไปก็คงจะขอวิสุงคามสิ ม, มาเมื่อมีหลักวิสุงคามสิ ม, มาปัก ในสีด้านของศาลาแล้วศาลาหลังนี้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์ที่สุดแทนโบสถ์ได้ทุกอย่างโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ในเมืองที่สวยๆนะั่นแหละศาลาหลังนี้จะแทนได้ทุกอย่างในทำในการทําสังฆกรรมเพราะนั้นวันนี้พวกเราได้มาปลูกสังทางด้านวัตถุปลูกฝังทางด้านวัตถุสร้างท้าวววัตถุให้ในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นบทบุญเป็นกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกด้วยบุญบรารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเถินนี่นะคณะทาญาติโย g บางคนบางคนก็เข่งเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์เนี่ยทําไมจึงวางศีลละเลิกแต่ตามไม่จริงวางศีลละเลิกนะเป็นการประกาศให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบว่านี่คือการสร้างศาลาเนี่ย ถ้าหากว่าทำบุบปิดไม่มีพิธีกรรมพิธีการอะไรเลยนะเออมันก็เงินก็ไม่ทะลักมันไม่ไหลเข้ามาช่วยกันเพ <c oughs> ราะฉะนั้นจึงมีการวางเชีลาเลิกให้ประ ก, กาศให้คนรู้แต่ตามไม่จริงไอ้เรื่องเรื่องไอ้อวางศิลาเลิกนี่กรรมฐานของเราไม่ได้ถือเด้สมัยก่อนน่ยหลวงปู่ฟันเขาไปถามหลวงปู่เออเขาน้อยจีวางเชลาเฮ็ดบ้านที่สร้างบ้านที่สรา้างตึกเนี่ย ไอ้วางเช่ละเลืกอกจงไหนโปรฮมีเงินละยัง่งผลว่ามีพ่อโยโปรเออถ้ามีพ่อกันเมือ่อใดสะดวกสะดวกเอาลงเลิศนะผลว่านั่นแหละเลือกดีย่ามดีมือจังสั้นละ่ะผลว่าเด็กลงปูฝันว่าเพราะนั้นให้พวกเราคิดเอาฟังเอานะเออพูดใดวางศิละเลือกนี่เออเปว่าโวกาสเหมาะบอมีปัญหา แล้วก็ทําเลยพอไปอันนี้ที่เราว่างเชละเลิกมือนี้ก็พอวา่าเราประกาศให้คณะสัตท่านญาติโยมทางหลายด้หูได้ทราบว่าเออต่อไปไพยภาคหนาพูดได้จีม่ารวมสั่งอาคขันลังนีกับมาเด้อดไปประกาศให้หูจักสร้างแท้ๆละบาทนี้พอนำไป <laughs>